เมื่อวานได้พูดไปแล้วนะเรื่องการเอาถูกเอาผิดเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังโดยเพราะเราการที่เราไปคาดหวังเรียกร้องความถูกต้องจากคนอื่นเพราะว่าถ้าว่าเราเอาถูกเอาผิดมากเกินไปเรื่องเล็กมันก็จะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องเพียงเล็กน้อยก็สามารถจะก่อความเสียหาย ที่มากมายได้อย่างเช่นที่ยกตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยเพียงแค่ปูกระเบื้องผิดแผ่นเดียวก็สามารถทำให้สามีภรรยาทะเลาะกันจนกระทั่งไม่มองหน้าไม่พูดคุยกันถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ไปขอโทษขอโพยก็คงจะความสัมพันธ์คงจะร้าชานกันยาวเลย อันนี้เพราะว่าไปเอาถูกเอาผิดจากกันและกันมากเกินไปและมันไม่ใช่เฉพาะความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดเท่านั้นนะบ่อยครั้งเราก็ไปเอาถูกเอาผิดกับคนที่อยู่ไกลหรือว่าคนที่ไม่ได้คุ้นเคยสุดท้ายมันก็เกิดการทะเลาะเบาอแวงกัน บางทีถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันหรือถึงตายก็มีอย่างที่เราดอินข่าวประจำเลยถูกรถคันอื่นปาดหน้าให้คันที่ถูกปาดก็ไม่ยอมตามล่าตามติดและพอรถนี่หยุดนะสองฝ่ายก็ทะเลาะกันต่างฝ่ายต่างก็ โทษอีกฝ่ายหนึ่งว่าแกผิดแล้วก็ยืนยันว่าฉันถูกพี่ไม่ใช่ฉันถูกอย่างนี้นะกูถูกอ่ะมึงผิดมึงแค่นั้นไม่พอ้วก็มีการต่อว่าด่าดทอยิงพูดก็ยิงแรงอารมณ์ก็ยิ่งร้อนแรงมากขึ้นสุดท้ายก็ลืมตัวถึงขั้นควักปืนมายิงกันฆ่ากัน บางทีไม่ใช่แค่ปาดหน้าแค่กดแตรนะกดแตรก็อีกฝ่ายนี้ก็ไม่ยอมเพราะถือว่าไม่ถูกต้องแล้วก็อาจจะคิดไปถึงเรื่องการยามศักดิ์สิพอทะเลาะกันแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็ลงเอยด้วยการไม่ใช่แค่ทาร้ายกันด้วยคําพูดแต่ว่าทําร้ายร่างกายกันด้วยอาวุธเลย ไอ้เรื่องที่ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะการเอาถูกเอาผิดกันนี่แหล ะ, ะแล้วก็สังเกตนะไอ้ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวกันเนี่ยเริ่มต้นจากความไม่ถูกต้องของคนคนหนึ่งหรือของฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็นำไปสู่ความไม่ถูกต้องของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็ เป็นเรื่องที่กระทบกับอัตตาของคนที่เกี่ยวข้องไม่ความไม่ถูกต้องเนะี่ยถ้ามันไม่ถูกต้องธรรมดาก็ไม่เป็นไรนะแต่พอมันมากระทบกับอัตตามันก็กลายเป็นความไม่ถูกใจขึ้นมาอย่างกระเบื้องนะที่ปูผิดเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเพราะว่าไม่ใช่แค่ความผิดพลาดแต่ว่ามันยังมากระทบกับ อัตตาหรือความรู้สึกของผู้ที่ออกแบบนะทางเดินที่ต้องมีการปูกระเบื้องหรือว่าเวลาถูกขับรถปาดหน้าหรือว่ามีกดตรดังเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความไม่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนอ ย, อย่างเดียวนะมันมากระทบกับความรู้สึกของ อีกฝ่ายนึ่งที่กำลังขับรถความไม่ถูกต้องก็เลยกลายเป็นความไม่ถูกใจแล้วพอไม่ถูกใจแล้วมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็เกิดการทะเลาะเบาแวงกันจริงเน่ยว่าแต่คนแปลกหน้าที่มาเจอกันบนถนนเลยนะแม้กระทั่งเพื่อนบ้านเนี่ยบางทีความไม่ถูกต้องหรือผิดความผิดเล็กๆนน้อยเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ พราะต่างฝ่ายต่างก็หรือเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องมาจะเอาถูกเอาผิดให้ได้เปิดเพลงดังหรือว่าปล่อยให้หมาเห่าเสียงดังมันก็เลยเกิดการทราะเลวิวาทกันถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันถึงตายก็มีแต่บางครั้งเนี่ยไอความไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่ได้ มากระทบอะไรกับตัวตนหรือว่าอัตราของเราเลยนะคือไม่ได้เป็นผู้เสียหายจริงๆเท่าไหร่แต่พอคนเราไปเอาถูกเอาผิด ก, กันแล้วเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องากลายเป็นเรื่องขึ้นมาอย่างบางคนเนี่ยไปเห็นชายหนุ่มหญิงสาวในส่วนสาธารณะหรือว่าบนถนน แต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือว่าควงแขนกอดจูบ ก, กันโมโหนะโกรธไปต่อว่าเขาก็มีทั้งที่มันก็การกระทำของชายหนุ่มหญิงสาวก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเองเลยเขาไม่ได้มาสร้างความทุกข์ความร้อนให้กับอีกฝ่ายนึงเลยนะหรือฝ่ายที่เป็นผู้สังเกตการแต่เพราะว่า คนที่มองเห็นนี่อาจจะเป็นคนสูงวัยคุณลเล่เจคสมัยนี้เขเรียกว่ามนุษย์ป้ามนุษย์ลุงเนี่ยเห็นความไม่ถูกต้องขึ้นมามันทนไม่ได้มันเป็นการประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามเรียกว่าวัฒนธรรมประเพณีซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่พอไปเอาถูกเอาผิดกัน จริงๆ จ, จังๆเขายึดมั่นถือบ้านมากเกินไปมันก็เลยเกิดการทะเลาะกันหรือถึงไม่เกิดทะเลาะกันแต่ว่าเกิดความโกรธระบายใส่ใครก็ไม่ ไ, มได้ก็ามาระบายใส่ลูกหลานที่บ้านบนก็ปลอกระแปดว่าได้เห็นอะไรที่ศูนย์การค่า ท, า, าที่สวนสาธารณะที่รถเมย์ให้คนที่อยู่ใกลก้ๆก็ลาคาเรือ่อง มีเรื่องบนทุกวันนี่รอเพราะว่าไปเอาปัญหาของคน อ, อื่นมาเป็นความทุกข์ของตัวซึ่งมันเป็นเรื่อ ง, องความนะการที่ไปคิดแต่จะเอาถูกเอาผิดจนลืมเนื้อลืมตัวจนไม่ได้ฉุกคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลยสักหน่อยนะหรือว่าถึงแม้จะเกี่ยวกับตัวเองก็ไม่ควรจะลืมเนื้อลืมตัวจงกันทั่ง ก่อความทุกข์สร้างปัญหากับคนที่เรารักหรือคนที่ใกล้ชิดที่จริงเนี่ยคนเราเนี่ยมไม่ได้เป็นทุกข์เพียงเพราะว่าไปเอาถูกเอาผิดนะกับคนอื่นเท่านั้นนะเดี๋ยวนี้ก็ยังเอาถูกเอาผิดกับความคิดของตัวเองด้วยคนเราเนี่ยถ้าว่าถาาว่า ที่แต่จะเอาถูกเอาผิดกับความคิดของตัวเองเนี่ยการที่จะเอาถูกเอาผิดกับคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายมาและถ้าเราจะเรียนรู้ที่จะไม่เอาถูกเอาผิดกับคนอื่นมากเกินไปก็ต้องเรียนรู้ที่จะไม่เอาถูกเอาผิดกับความคิดของตัวเองด้วยแต่หลายคนเนี่ย ก, ก็ทำไม่ได้นะ เอาถูกเอาผิกับความคิดของตัวเองหมายความว่าเนี่ยเวลามันมีความคิดอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจเกิดความทุกข์เกิดความรู้สึกผิดหวังในตัวเองขึ้นมาเช่นมันมีความคิดไม่ดีต่อปุถกการีมีความรู้สึกโกรธมีความไม่พอใจท่านบางทีก็บน ว่าท่านในใจและไม่ใช่แค่บุปการีอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเพราะมันมีความคิดแบบแบบนี้เกิดขึ้นก็เป็นทุกข์มากเลยรุ่มร้อนมากอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเอาถูกเอาผิดกับความคิดของตัวเองทั้งที่ความคิดเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เลยแม้มันเกิดขึ้นกับใจเราแท้แต่มันก็เป็นสิ่งที่ ไม่สามารถจะห้ามได้แล้วคนรามันก็จะมีความคิดไม่ดีความคิดที่น่าเกลียดเนี่ยเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวหรือเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆไม่มีใครในโลกนี้นะที่ไม่มีความคิดที่น่าเกลียดผุดขึ้นมาในใจและบางครั้งมันน่าเกลียดจกนกระทั่งว่าไม่อยากจะพูดให้ใครได้ยินรับรู้ด้วยซ้าอันนี้ก็เป็นธรรมดาปุถุชนนะอาจจะไม่ใช่เป็นความคิดไม่ดีต่อบุปการี หรือว่าครูบาอาจารย์แต่บางทีมันคิดไปถึงขั้นจ้วงจากพรัตนาตรัยเลยทีเดียวบางคนเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยนะทำไมฉันคิดแบบนี้ทาไมมันมีความคิดเลวร้แบบนี้กัดกรุ้มใจจนบางทีอยากจะทำร้ายตัวเองว่าทำไมฉันมันเลวแบบนี้พยายามห้ามเท่าไหร่ก็ห้ามไม่สาเร็จไอความทุกข์บันี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะไปเอาจิง เอาจังหรือเอาถูกเอาผิดนะกับความคิดของตัวเองมากเกินไปนางปฏิบัติธรรมบางคนเนี่ยก็ไม่พอใจนะว่าทำไมฉันปฏิบัติธรรมต้องนานจึงยังมีความโกรธอยู่โกรธคนโน้นโกรธคนนี้หรือว่าทำไมฉันปฏิบัติธรรมต้องนานยังมีความคิดเยอะเหลือเกินความคิดมันเยอะเหลือเกินคิดมันเยอะไปหมดเลย พอตัวเองโมโหตัวเองนะโบยตีตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าไปพ่อไปเอาถูกเอาผิดกับความคิดของตัวเองนะหรือแปลว่าไปเอาเอาเป็นเอาตายนะกับความคิดของตัวเองมากเกินไปไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่เป็นปุถุชนแม้เราไม่ปรารถนาให้มันเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับอารมณ์นะ อารมณ์โกรธหรือว่าความรู้สึกเกิดกำหนัดนะทั้งที่ททบาเพ็ญภาวนามานานหรือบางทีทั้งที่ศึกษาเรียนรู้ธรรมะมาเยอะแต่เวลาเงินหายก็ยังเศร้าเสียใจยังอาลัยอาวรณ์ไม่ทำไมฉันปฏิบัติธรรมมาต้องนานจึิงยัง เสียดายยังปล่อยวางไม่ได้กับสิ่งที่เสียไปทำไมเขาว่าฉันฉันยังโกรธฉันยังโมโหอยู่ทั้งที่ฉันก็ปฏิบัติทำมานานอันนี้คือความทุกข์นะของคนที่เป็นนักปฏิบัติและไม่ใช่ว่านักปฏิบัติอย่างเดียวนะคนที่เรียกว่าอยากจะเป็นคนดีนะหรือว่าบางทีถึงขั้นติดดีเนะี่ยมันก็จะมีความ รู้สึกไม่พอใจกับความคิดที่มันเกิดขึ้นหรืออารมณ์ความรู้สึกที่มันปรากฏขึ้นมาในใจแล้วก็ทนตัวเองไม่ได้บางทีถึงขั้นรังเกียจตัวเองเกลียดชังตัวเองเพราะมีความคิดแบบนี้อย่างที่บอกนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะหลวงพ่อสุมเมโทนท่านบอกว่าเนี่ยความคิดจิตใจขงเราเกิดจากจานอาหารนะจานหรือภาชนะเนี่ย มันไม่มีอาหารอะไรที่ใส่จานหรือภาชนะไม่ได้นะจานหรือภาชนะนี่ม้ก็ทั้งขี้หมานี่ยก็ยังใส่ในจานหรือภาชนะนั้นได้เลยไม่ใช่ว่ามันจะใส่ได้แต่เฉพาะอาหารที่อร่อยหรือว่าจะใส่ได้เฉพาะดอกไม้ที่บูชาพระพุทธเจ้าบางทีขี้หมานะหรือว่าสิ่งที่น่ารังเกียจปฏิกูลมันก็ภาชนะหรือจานก็สามารถจะรองรับได้ จิตใจของเราก็เหมือนกันความคิดทุกชนิดเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นและมันห้ามไม่ได้เพราะว่าใจมันเป็นอนัตตานี่ถ้าเกิดคนเราจะไปเอาผิดเอาถูกเอาผิดกับความเพีองตัวเองนี่โอมันมันทุกข์มากเลยนะแม้จะอาจจะไม่ไม่ใช่ถึงขั้นว่า ม, มีความคิดลามมกเร็วร้ายแค่ความคิดมันเกิดขึ้นเยอะเรียกว่าฟุ้งซ่านเนี่ยหลายคนก็มีความไม่สบายใจ ทำไมคิดเยอะเหลือเกินทำไมมันคิดมากแบบนี้บางทีเอาหัวโขกตัวเองเอาหัวโขกพื้นก็มีหัวโขกเสาก็มีเอาเ่อถ้าตฟาฟาดหัวก็มีนี่ก็เรียกว่าเป็นเพราะเอาถูกเอาผิดกับความคิดจิตใจของตัวเราต้องเรียนรูน้และฝึกฝนนะในการที่จะไม่เอาถูกเอาผิดกับความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจในการจะทำกันได้ต้องมีสตินะ สติมันช่วยได้มากเลยนะเพราะสติเนี่ยมันทำให้เราเห็นรู้ทันทุกความคิดและอารมณ์แล้วเป็นการรู้ทันเป็นการรับรู้แบบไม่ตัดสินนะอเรียกว่ารู้สื่อๆเ่ยที่หลวงพ่ อ, เ, อเขียนทั่นว่าไม่มีสติหรือสติอ่อนเนี่ยมันก็ไม่รู้สื่อๆนะมันรู้แล้วมันก็มีการวิภาควิจารมีการตัดสิน ว่าทำไมฉันคิดชั่วแบบนี้ทำไมจะมีความคิดลามกแบบนี้แล้วก็แย่เสร็จแล้วก็เลยไปไหนไม่ได้เพราะว่าติดอยู่กับไอการลงโทษตัวเองถ้าเรารู้ซื่อเนี่ยก็คือว่าก็รู้โดยที่ไม่ไปตัดสินอย่างที่หลวงพ่ อ, เ, อเขียนว่าเนี่ยรู้ชั่วคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างช่างมันอย่างเดียวเลยนะหรือว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันเกิดขึ้นได้แต่ข้อสังเกตคือว่าอย่าไปไหลาตามมันอย่าไปเชื่อมันมันจะคิดเลวคิดร้ายคิดลามกคิดอกุศลอย่างไงก็อย่าไปหลงเชื่อมันหรือทำตามหน้าของมันมันจะเศร้าโศกเสียใจเพราะสูญเสียของรักสูญเสียเงินที่จริงๆก็ไม่ได้มากเท่าไหร่มันก็ธรรมดานะพุชฌก็ยังมีความอาลายัยอาวรณ์ก็ไม่ต้องไป เอาถูกอาผิกับตัวเองมากเกินไปก็แค่ถือว่ามันมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้มาเรียนมันมาเพื่อเราได้รู้จักตัวเราเองว่าเรายังมีกิเลสนะยังมีความไม่น่ารักอยู่มันไม่ถึงกับเป็นความน่ากเกลียดมันเป็นแค่ความไม่น่ารักเราก็ได้รู้ทันมันแล้วก็ระมัดระวังใจของเราไม่ให้ไปหลงเชื่อมันหรือทำตามหน้าของมัน นี่ถ้เราเรียนรู้ที่จะไม่เอาถูกเอาผิดกับความคิดจิตใจตัวเองได้ต่อไปเราก็จะพัฒนาไปขั้นหนึ่งนะคือไม่เอาถูกเอาผิดกับสิ่งที่มากระทบไม่ไว่าจะเป็นเสียงดังไม่ไว่าจะเป็นการกระทําของคนรอบข้างไม่ไว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจที่เราอนิจธารมความทุกข์ของคนเราเนี่ยนะก้อนใหญ่เนี่ยมเกิดจากการที่เราไปเอาถูกเอาผิดกับสิ่งที่มากระทบ เสียงดังจากข้างบ้านเสียงพูดคุยของคนที่อยู่ใกล้ๆเราเสียงโทรศัพท์มือถือนะในขณะที่เรากำลังนั่งปฏิบัติธรรมหรือบางทีการเปิดโทรศัพท์นะดูข้ อ, ขอความทางโซเชียลมีเดีย ในโรงหนังเดี๋ยวนี้มีคนหงุดหงิดมโมโหมากนะเวลาดูหนังเนี่ยมันจะมีหลายคนเลยนะที่ไม่ได้ดูหนังแต่ดูโทรศัพท์แทนแล้วพอดูโทรศัพท์ก็จะมีแสงสว่างที่หน้าจอรบกวนคนที่ตั้งใจดูหนังมากเลยโดยพอเขาบอกว่าเนี่ยโดยพอรอบที่มีเชิญสื่อมวลชนมาดูเนี่ย สื่อมวลชนหลายคนก็มาดูฟรีก็เลยไม่ได้สนใจจะดูดูโทรศัพท์แทนคนที่อยู่ในโรงก็ลำคาญดูหนังไม่ได้รสชาติเลยนะเพราะว่ามันมีแสงจากโทรศัพท์มือถือของคนที่อยู่ข้างหน้าบางข้างข้า ง, า ง, างมารบกว น, นนี่ก็เป็นความทุกข์ของค น, นของคนทั่วไปซึ่งจะวาไปแล้วก็เกิดจากการที่ไปเอาถูกเอาผิดนะกับสิ่งที่มากระทบ ไอ้ที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกแน่นะแต่ว่าถ้าเราไปไปเอาจริงเอาจังเอาถูกเอาผิดกันมันมากเกินไปเราเองก็เดือดร้อนนะคนเราเนี่ยมันทูกเพราะไปเอาถูกเอาผิดก็บสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นรูปที่กระทบทั้งตาเสียงที่กระทบหูการให้ค่ามันในทางลบเราก็ตัดสินว่ามันไม่ถูกมันไม่ถูกทําไมพูดเสียงดังทําไมเปิดเพลงดังหรือ บ, บางที มันเป็นเสียงต่อว่าด่าทอถ้าเราไปเอาถูกเอาผิดกับสิ่งเหล่านี้เราก็ทุกข์นะบางครั้งเดินทางก็รถติดเราก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยทำไมมันติดแบบนี้มันไม่น่าจะติดเวลานี้เลยนี่มันวันอาทิตย์แท้ๆมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่สมควรจะเกิดในความคิดของเราเพราะนั่นพอมันเกิดขึ้นเราก็เลย เป็นทุกข์มากเลยนะนี่เราเป็นทุกข์เพราะเอาถูกเอาผิดกับสิ่งที่มากระทบแต่ถ้าหามว่าเรานะลองรู้จักที่จะไม่เอาถูกเอาผิดกับมันนะก็ถือว่ามันเป็นมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองเพราะถ้าเราไปเอาถูกเอาผิดกับมันเราก็เราเองนั่นแหละที่จะทุกข์นะแต่ถ้าเรามองว่าเออมันก็มันก็เป็นเช่นนั้นเองว่าสมัยคือเรามารักษาใจของเราให้มันเป็น ปกติหรือให้มันถูกต้องกันแล้วกันหลวงพ่อชาติเคยพูดว่าเนี่ยอะไรอะไรที่เกิดขึ้นมันก็ดีทั้งนั้นแหละอะไรที่เกิดขึ้นมันก็ถูกทั้งนั้นแหละแต่ที่เราเป็นทุกเพราะเราวางใจผิดนะเราต้องเรียนรู้นะที่จะไม่เอาถูกเอาผิดนะกับสิ่งที่มากระทบแต่ก็ให้ตระหนักว่านี่เป็นการฝึกนะเป็นการฝึกใจของเราเป็นการฝึกในระดับที่เราเป็นการทําจิต การฝึกเนี่ยมันก็มี2 อ, อย่างฝึกทําจิตและฝึกทํากิจในเรื่องการฝึกทําจิตแล้วก็ฝึกที่จะไม่เอาถูกเอาผิดกับอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้น<ม>อย่างที่หลวงพ่อคําเขียนใช้ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยความหมายเน่ยคือมันไม่ไม่ไปเอาถูกเอาผิดกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าในใจของเราหรือว่าจากสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องการทําจิตแต่เรื่องการทํากิจก็อีกอย่างหนึ่งนะ เป็นเรื่องการทำกิจเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีก็ต้องแก้ไขกันไปเวลาเวลาแสดงธรรมอาจจะมีฝนรั่วฝนตกลงมาหลังคารั่วหลังคามันจะรั่วยังไงเราก็รักษาใจสงบได้ไม่เอาถูกเอาผิดกับไอการที่ฝนมันรั่วลงพื้นแต่ว่าในเรื่องการทำ กิจเนี่ยเขต้องจัดการนะถึงเวลาก็ต้องซ่อมซ่อมหลังคาไม่ให้ฝนมันรั่วลงมาแต่ขณะที่ยังไม่ได้ซ่อมมันรั่วลงมาเราก็ใจเราก็ไม่ทุกข์นะไม่ไปเอาถูกเอาผิดกับฝนที่มันรั่วลงมาเวลาเจ็บเวลาป่วยก็ไม่ต้องเอาถูกเอาถือกับความเจ็บปวยทําไมถึงป่วยฉันอุตส่าห์าดูแลรักษาร่างกายมาอย่างดีทําไมฉนันถึงต้องมาเป็นอย่างนี้นะ ถ้าเราคือเราถูกเอาผิดกับความเจ็บป่วยแล้วก็ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์กายแต่ทุกข์ใจด้วยแต่ว่าก็ต้องรักษานะต้องเยียวยานะในความเจ็บป่วยนี่ไม่ใช่ว่าพอไม่เอาถูกเอาผิดกับมันแล้วก็ก็นิ่งดูได้ไม่จัดการแก้ไขอันที่พูดมาเนี่ยพูดเรื่องการทําจิตนะเวลาเราต้องฝึกการทําจิตในระดับที่ว่าเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ว่ารูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสทำมารมณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ถ้าเราจะฝึกจิตให้ให้เจริญ ง, งอกงามเนี่ยต้องรู้จักนะที่จะไม่เอาถูกเอาผิดกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากคนอื่นก็ดีจากสิ่งภายนอกก็ดีหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจลองมองอีกหน่อยว่าเออมันอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ดีทั้งนั้นนะความต่อว่าด่าทอที่มาเข้าหูรำมันก็ดีเหมือนกันนะมาฝึกใจเรา เสียงดังก็มาฝึกใจเรารถติดก็มาฝึกใจเราให้มีความอดทนให้รู้จักฝึกใจิตให้มีสติให้เห็นว่าความจริงก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่ถูกใจเราเสมอไปไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะบงกายทุกอย่างถูกใจเราได้อันนี้เียว่าเป็นการเป็นของดีที่มาฝึกเราแล้วถ้าเรามองว่า เรามีหน้าที่ฝึกตนให้สมกับเป็นชาวพุทธเนี่ยในการที่เราจะมองอะไรว่าอะไรอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราดีทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายคนที่มองว่าเนี่ยเรามีหน้าที่ฝึกตนนะฝึกจากทุกอย่างทุกเหการทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นคนที่คิดแบบนี้จะมีค้อได้เปรียบก็คือว่าสามารถที่จะ เรีรู้จากทุกสิ่งได้แม้จะเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกใจเราสามารถที่จะมองว่าเออทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราดีทั้งนั้นคําต่อว่าดาทอรถติดหรือว่าความเจ็บความป่วยความแก่ชราไอ้พวกนี้มันดีทั้งนั้นแหละมันก็มาสอนทำให้กับเราแม้ว่ามันจะทําให้เกิดทุกขเวทนาแต่ว่ามันก็ เป็นแบบฝึกหัดให้กับใจเราเพื่อยกจิตให้อยู่เหนือทุกขเวทนาก็ได้คนเราถ้าถ้าคิดว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการฝึกฝนตนเนี่ยไม่ใช่เพื่อหาความสบายแต่เพื่อฝึกฝนตนเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะเกิดมามีชีวิตนี้เพื่อหาความสบายมันก็จะทนไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้แหละแต่คนเราถ้าว่ามองชีวิตนี้เกิดมาเพื่อฝึกฝนตนทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราย่อมดีทั้งนั้นนะแม้มันจะเป็นอนิจจารมก็ตาม